พวกเราตั้งตัวได้มีชีวิตอยู่ได้าตามปกติเก็ดอะไรป่วยบ้างไม่มากพอช่วยเหลือแก้ไขไปเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ที่สำคัญที่สุดเราจะต้องอยู่ด้วยประโยชน์มันจะอยู่เพื่อโทษ ต้องอยู่ด้วยประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอุตยานั้นทรงแสดงประโยชน์ไหมประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโอกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งปรมาิตั์ประโยชน์ทิฏฐธรรมิกาธประโยชน์ ประโยชน์ในโลกนี้หรือประโยชน์ในโลกปัจจุบันเนี่ยมีนักปราชญ์ถ้าเรามาผูกเป็นคาถาเศรษฐีสันว่ามันนะปุกอากาศสัตุอากาศสัตหัวใจเศรษฐีหนึ่งบุท ธ, ธานสัมปทาสองอารักษคสัมธทา สามกัลยาณมิตตตาสสมชีตตาอนิลัสท่าพูดหลังเอาไว้นะคือเราพูดธรรมะของที่เราทิ้งหลังเนี่ยมงอก็จับจับไม่ได้เหมือนกันพูดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยตอนที่สยบหลังมามจับหลังได้ประโยชน์ในภพนี้ประโยชน์ใ น, นโลก น, น, นี้ทิฏฐธตามนี้กับถกประโยชน์เนีอุอาตัส นักปราชญเรียกว่าหัวใจเศรษฐีหนึ่งอุทฐานสัมปทาขยันขยันหาทรัพย์ประโยชน์พวนี้เนี่ท่านพูดถึงทรอุทฐานัสัมปทานอุทฐานัตสัมทานนัแปลว่าการลุกขึ้นหมายถึงความขยันขยันหาทรัพย์คว่าทราพวกเราทั้งหลายเข้าใจไหมน้ำมหาทองอยุพาเกียรต หาของหาอะไรทุกอย่างมาเพื่อเป็นของใชส้สอยท่าเป็นบจา้ารับสมบัตินั่นแหละทัพยภายนอกทัพย์ภายในและพลังวิญญาทรัพยที่เป็นเรื่องของความรู้การศึกษาความรู้ออกเป็นเหตุให้ได้มาชื่นเศร้าต้องใช้ความขยันความขยันทีคื อ, อเห็นเห็นประโยชน์เห็นคุณําประโยชน์ถึงมีความขยัน มีความุษาทมาขีเกียจมาขี้คลางบุษานสมบัตอาศัยความข ย, ยันนี้แหลตั้งตัวได้ถ้าอาศัยความขี้เกียจตั้งตัวไม่ได้อับจนตกต่ำสวงหน้าซับก็ไม่ทันเขาสวยหาความฉลาดวิชาความรุกอย่างก็ไม่ทันเขาวิยาการทุกสีทุกอย่างไม่ทันเขาถ้าอาศัยความขี้เกียจ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 การเก็บรักษามอได้มาแล้วไม่เก็บไม่รักษาทรัพย์สมบัติล่านั้นเ้าไม่อยู่ได้มาห้าใช้ไปสิบอย่างนี้มันจะมีอะไรเหลือมันไม่มีอะไรเหลืออรักษาทุตลาต้องให้มีส่วนเหลือการสมเด็จพระสัมมาสัมท่านบอกว่าต้องมีส่วนต้องมีส่วนเหลือไม่งั้นเวลาเราเก็บไข้ไดป่วยไม่มีอะไรใช้สอย เมื่อส่วนฐานรักมาด้วยคยาเเว <c oughs> ามขยัดแล้วให้รู้จักเก็บรู้จักรักษาเสร็้วก็กัลยาณมิตรตาต้องคอบมิตรที่ดีงามกัลยาณมิตรตาถึงคบมิตรที่ดีมิตรที่ดีงามิตรคืเพื่อนร่วม ง, งานผู้ที่เกี่ยวข้องกันกับการกับงานนั่นเียกว่ามิตร มิททำงานด้วยกันมิทอยู่ต่างแดนหรือคนรู้จักครัใกล้ในจริดนิสยบบนัยกันกเก่ถูกเป็นมิทกันมิทํางานมิทค้าขายมิทเรียนหนังสือมิทวิชาการมิทอะไรอรรถพัฒนะครมิตรที่ดีเพราะมิตรที่ดีเนี่ยบอกทางดีให้บอกทางสวัสด์ให้และประโยชน์ให้ให้ความฉลาด ให้เราได้ ข, อข้อคิดได้สปิดไปปัญญาได้ความรู้ได้ความฉลาดอย่างคุณมิตรที่ดีคําว่ามิธที่ดีในที่นี้เราเอาอะไรเป็นกินเาว่ามิตรที่ดีในที่นี้เราต้องเอามิตที่เป็นธรรมเป็นกีคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมพาเราไปเป็นนักเลงผ า, านันพาเราไปเป็นนักเลงการการผานันพาเราไปเป็นไปเป็นนักเลงผู้หญิง นักเลงเที่ยวกลางคืนนักเลงนดื่มสุราเนีทีเหล่านั้นก็จะเป็นเรื่องรางลานชอทานั้นนั่งเลงก็ูหญิงมีอะไรไม่เหลือเลยร่างถานว่าทำไมพ้หญิงพู้หญิงจะรา่างใจชอบป้อน่ไปปอนเท่าไ ป, ป, าไปมีอะไรไม่ไม่มีเหลือเลยไมมีหืราบไม่เนักงเล่นผู้หญิงนักเล่กล า, างคืน การพนันก็ไม่เหลือยิ่งร้ายกาจมากกว่านั้นไปเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียกระทั่งหมรดเสียแม้กระทั่งที่ดินที่บ้านที่เรือนที่ที่ที่เราได้ไม่มาจากมาเท่ากันเสียหมดเสียเยอเสียเกียรติเสียอะไรสกปรกการพนันคนเล่นไปรู้จัประมาณเล่นจนติดลองแหน่บางทีได้แล้วก็ไม่รี้จับเ่า แ ล, แล้วเดินวัดน่วยตัวเราจะชมยังไงไม่ชมเลยืพระพุทธเจ้าท่านทรนงต่าเนือแสนขึ้นการเท่านั้ น, เ ป, น, น, กก น, นเป็นนักเลงการเนันเป็นนักเลที่ยวกลางคืนเที่ยวกลาง ค, คืนก็ไปท้ายไปเกี่ยวกับเน่าไปเกี่ยวกับสุร า, านารนั่นแหะแล้วก็เป็นนักเลงสุรานักเลงสุราสุราเป็นยาเสพติดกินไปแล้วมาติดร่างกายันติด ติดแอลกอฮอล์ด้วยเหุที่จิตใจห่อนแหวนตกอยู่ในอำนาจของกายก็ถูกกายครอบเมื่อถูกกายครอบเมื่อหิวขึ้นมาก็หายามาหิวขึ้นมาหายามาหิวขึ้นมาหายเวล่าใส่เข้าไปในโลกนี้เป็นของเราสนุปกลืมเป็นลืมตายแต่สิ่งที่ตามมาคือเสียทรัพย์เกิดโรคก่ อ, ก, อการทะเลาะวิวาทไม่มีใครประสงค์จก จะร่วมงานด้วยเกิดโรคนี้แน่นอนอ่ะกินเหลาที่เห็นชัดๆก็คือเสียสักและสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บำ ร, รุงร่างกายเหมือนอาหารเหล้าเน่ยท่านเรียกว่าอาหารอาหารจะ็สิ่งที่จาเป็นกับร่างกายมีธาตุมีโปรตีนมีอะไรเหล้าที่เราพอจะชมหน่อยก็มี ประเภทใช้มันใช้ทำปัญญาทำทำปัญญรักษาโรคบางอย่างให้ปัญญาถูปัญญาทายาดองยาอะไรถึงอย่างนั้นขาเป็นเหตุตัณห์พระพุทธเจ้าทรานทรงนัณหถึงจะมีคุณสมบัติขนาดนั้นก็ได้เคยได้ยินูบาศคนหนึ่งปุณละอุปสชฌายา กูมาสอบพื้นพื้นบั่นเขาก็พูดวะต่อให้เขาใกล้จะตายใกล้ตอนนี้ตอนนีเป็นโรคร้ายแรงใกล้จะตายขนาดไหนก็ตามกูบอกว่าต่อให้มีคนเอายามากรอกบอกว่ากรอกเข้าไปพื้นไปเดียวละหายทันทีแต่ยานั้นจําเป็นต้องเข้าเล่าเท่านั้นเขายอมตายดีกว่าเนี่ยจิตใจว่าคนระดับนี้เราเจอว่า เราจะว่าจิตใจเขาของเขานี่มั่นคงกับสินกับธรรมเห็นคุณเห็นโทษขนาดไหนคนบ้านหลังคนบ้านเก่าเนี่ยแต่เป็นคนออกษาสินเป็นคนปฏิบัติธรรมยอมตายดีกว่าที่จะไปกินยาที่ผสมในเหล้ากอดเข้าปากเป็นนักเรียนไม่มีอะไรเหลือเ่รฉะนั้นการที่เราคบมิตรันาจะต้องคบด้วยที่เป็นผู้มีสินเป็นผู้มีธรรม เป็นผู้ชี้ทางที่ดีแนะนประโยชน์ให้กับเราได้บอกทางสวรรค์ให้กับเราได้ช่วยแก้ไขปัญหาเราได้เป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ร่วมแก้ปัญหาแก่กันและกันได้เป็นกัลยาณนี้มิแบบนี้ช่วยเราได้รับความ ร, ราาาาู้ช่วยให้เรา ไ, ได้ช่องทางหาทรัพย์สมบัติได้ช่วยให้เราประหยัดช่วยให้เรามีสติปัญญาบอก บอกเหตุแห่ความเสื่มเสียกับเราเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรวิตที่ดีงามมิตีดีงามพอสิสมชีวิตาชีวิตสมชีวิตาก็คือเราอยู่เราต้องอยู่ด้วยซ้ำเลี้ยงชีวิตอย่างสมบูรณ์สมชีวิตาเลี้ยงชีวิตอย่างพอดีพอนามอย่างสมบูพอดีพอนามไม่ให้ เคืองอย่าเกินไปไม่ให้ผู่เผลอจะเกินไปใช้พอดีพอดีใช้อย่างสม่ำเสมอให้อย่างพอดีพอดีทรัพสมบัติเราอามาด้วยอย่างดึงอะไรมนานถ้าเราไม่รู้จักใช้จับซอยไม่รู้จักใช้อย่างพอดีพอดีไม่มีส่วนหรือครับมีได้ส่วนมีแต่ส่วนขาดมีแต่ส่วนติดล็อกเนี่ยมันก็คือติดเราแหลคือหาไม่ควรใช้คือคราวเราเก็บแค่ได้ป่วยวันสองวันเนี่ย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 ใช่อย่างฟุ่มเฟือยเหมือนอย่างที่เขาว่าเศรษฐีนะ่ะเศรษฐีเกิดอะไรไหไอ้เศรษฐีนะ่ะพ่อของพ่อของพ่อของอะไรนะลืมชื่อได้แล้วแหล คุีพ่อพออกมาจากคุณธลีเป็นเศษถี่แต่ทีเป็นอีทีททเลียวมากพออยู่มาลกูกลูกยังเป็นหนุ่มป่วยป่วยก็ไม่อยางรักษา ไ, ไม่อยางรักษาทีแรกอยู่ข้างนอกลูกป่วยนอนอยู่ข้างนอกกลัวคนจะเห็นกลัวคนจะมาเยี่ยวเลยให้ลูกเข้าไปข้างในอยู่ข้างในบ้าน หยุยาอะไรแล้วไหมไม่หามาให้ลูกนื่นองจะว่า โ, โ, โลัหมดกลัวหมดกลัวสิ้นเพลิงีิตนีถ้าไม่เป็นเศรษีนะแค่จะมาดูแลรักษาลูกก็ไม่เอามาดูแลรักษามาัตคุณธลีนะมัตตคุณธลีนี่เป็นชื่อของตุ้มหูก็ตุ้มหูตุ้มหูเนี่ยเครื่องปรดับเนี่ยแทนที่จะไปหาของบีบลีตะขาบมากมาย ก็ไม่หามาเลยไปหาทองกองเกลี้ยงมาทําพอเป็นตุ้มหูมามาให้ลูกไต่ใช่นีนามนนัตตพุทธรูปได้ว่าตุ้มหูนายตุ้มหูเกลี้ยงลูกป่วยได้โรคอะไรลูกผอมแห่งรักษายัางไงไม่คือไม่รักษาบางทีอยากรักษาลูกก็แทนที่จะไปหาซื้ออย่าเข้าไหมคะไ ม, นะไม่ไม่ซื้อเลยไปถามเขาเออลูกผอมอย่างนี้อไม่มีแรงนี้ไม่มีกําลังนี้ เขารักษาไปวอะไรเขาก็บอกบอกว่าตนนั้นตนนั้นตนนั้นไปหามาแล้วมาต้องไปหามาต้องให้กินไปหามาถูมาทาไปหามาอะไรต่างนแต่ถ้าเป็นเห็นว่าต้องใช้สอยซัมแล้วเป็นอันว่าไม่ใช้สอยและวแต่มีทีเหลื้อมีเขาเรียกว่าไม่รู้จักจับาจใช้สอยซับใอเกิดประโยใช้สอยอย่างผุดเครื่องกินก็ต้องกินอย่างผุดเครื่อง แ้วก็มีอีกเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีขนมเบื้องแหละเคยได้ยินไหมขนมเบือ้องนะด้วยแค่หิวขนมเบื้องนั่นแหละไม่กล้าบอกเมียทอนอยู่จนจนร่างกายสู้ผอมเมียสงสัยก็เลยถามเอ๊ะทำไมร่างกายสู้ผอมลงทุกวันวันไม่กล้าบอกพอเมียถามนักหนเข้าอะไรบอกบอกว่าหิวขนมเบือ้องกลางนัง้นนะ อีูกัรหนูเมื่อไม่กลาหากินเทตีน่ะไม่กลหามาวกินทีนี้เลยเมียเราเย้ใจไปอย่างไรเสีย์ผีทรัพย์สมบเราไม่หมดไม่อยากเมียไม่ากให้จะพูดแรงจะพูดกันเดี๋ยวก็จะมาแย่งมาย่าหิวมากินด้วยกับเราเนี่ยอันไม่ยากไม่ยากทับสมัเรามากมายใช่ำกินเราทากินด้วยการแยกลองเราไม่ลูกไม่ต้องกิน มึงก็ไม่ต้องกินมึงไม่รู้กูรูตัวจะสิ้เนเดือนนี่นจเสียทีขนมเบื้อเน่ยไนในส่เบี้ยก็เลยตามใจตามใจจะจะทําในที่คนเดินไปเดินมาเห็นก็ไม่ทำแน่โลเขาจะมาแย่งโลเขาจะมาขอเขาจะอะไรมั น, ม น, มนมาสิ้นเรือนรู้ไหมนำเงินประสาทชั้นเกียรติลุไปทํำขนมเบื้อสองคนพบเบียไม้ใครไปด้วยลกลคนอื่นจะแยกกินทีนี้ก็ไปทําแน่ ไปทำคน อ, อุเบิย่ชั้นเจ็ภาษาชั้นเจ็ดนึงอืภาษาชั้นเจ็ดเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นทรงเล็งเห็นนี่ยเล็งเ็นอุปนิสัยท่านก็เลยให้พระโมฆลานานมาทรมานนี่ไงนั่งทออารมอยู่สคนโเรียภาษาชั้นเจ็ดใครจะขึ้นไปปิดประตูเสร็จเรียบร้อยใครจะขึ้นไปแต่เปิดหน้าต่างได้ดิพระอมฆลาน า, านครับไปชะงงอกไปยืนหน้าต่าง โอยังมีสมาขึ้นหาไ้ยังมีสมาธ ข, ขึ้นมาได้ดีถ้ามาสมาธิสมาททอ้าวมาเป็นตลาดขนมปงเลยไม่ให้เดียไม่ให้ธรร่ะโอ้ยอกินคนเดียวไม่มีความสุขหรอกมอหนาะนะักท่านทรมาเนี่ยพอ ท, พพท่านพูดไปพูดมาท่านพูดธรรมะเนี่ยเกิ่นใจอ่อนเอาไปห้นิดหน่อย ไปหท่าน้อยหนึ่งนี่เราจะบิบิไปไปถวายพระโมัลลานเทนอยหนึ่งนี่ยบินยางไง้วดึงยังไงึงไม่ออกดึงยังไงก็ตึงไม่ขาดแย่ยังไปแย่ยังขายแย่ยังดึึงสองัวมีนัดดึงเพื่อที่จะแยกขไปใ่บาให้ให้พระโมคกลลานะไล่หนึ่งก็เลยเหนื่อยโอ๊เหนื่อยเหนื่อยไร้ท้าจริงเลี้ยงไม่ได้กินหลยแย่ขนมมาจเหนื่อยยังไม่ได้กินเลย นี่พระโมกขาลัตนท่านเท่เทงเกิดความเรือดร้อนศรัทธาแลวท่านบอกว่าตอนนี้พระศาสดากับพระสงฆ์กาลังรอร อ, รอฉันขนมเบื่องอยู่ที่ทวัดเชยดอร่อยนั่นนะท่านรฉันขนมเบือ้องตอนนี้มีความเดือดร้อนแตเพราะพระโมกขารัต น, น์สอนเนี่ยก็ไ่เอาขนมเบื้อไไนั่นไปถวายขนมเมื่องนิดหน่อยนะ่ะไปถวายคราบหมดท้องไหนะฉันไม่หมด ยิ่งแบ่งไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มนมาแบ่งเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มขึ้าแบ่งอะไรยิ่งเพิ่มขึ้นมาจนได้เหลือไปเท่าทิ่เขาเขารียกวาดท่ามุนเรื่องท่ามนเบืองอยู่แถวเชียงถวันนะมันมีประวัติแนะดีคือคนตันดีคนตันดีมีซ้ำแล้วไม่ใช้ซ้ำเกิดประโยชน์มีส้ำแล้วใช้ซ้ำไม่ใช้ซ้ำเกิดประโยชน์เขาเรียกว่า ไม่ใช่สมัยไม่ใช่ไม่ใช่สมัยชีวิตตาถ้าเป็นชีวิตตายเลี้ยงชีวิตอย่างสม่ำเสมออย่างพอดีพองหมาะไม่ให้ฟูดเขืองไม่ให้พุ่มเฟือยพุ่มเฟื่อยเกินไปนั่นคือทิ้งเปล่าคำว่าพุ้มพุ่มเฟือยเราเข้าใจง่ายง่ายคือทิ้งเปล่าใช้ทิ้งทิ้งคว่ำใช้ใช้อย่างทิ้งเปล่าใช้อย่างฟูดเขืองเขาไม่เกิปดประโยชน์เพราะซับมันสําหรับเนี้ยงั่งภาพร่างกายต้องใช้ให้คุ้มค่าใช้พอดีพอเหมาะ เพราะฉะนั้นยสนการได้การใช้สอยเช้าทำใ้แบ่งแยกเป็นสามส่วนหรือสี่ส่วนเนี่ยแยกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งเลี้ยงขี่คือส่วนหนึ่งเส้ออาหารมามากินเพราะอัตภาพ ร, ร่างกายต้องการอาหารซื้อเครื่องนุ่มผมใช้สอยส่วนหนึ่งสหรับใช้สอยสำหรับปัจจัยสี่ จัดจายใช้สอยในการสวิน้ำบรรจัยสีในการหาปัจจัยสีมาใช้สอยส่วนหนึ่งลงทุนลงทุนเพื่อได้ได้กำไรเพิ่มูลขึ้นมาอีกเนี่ยทราพที่เรามีแล้วนหนึ่งใช้สอยเกิดประโยชน์สองสลับส่วนสวนสลับลงทุนอสลับลงทุนสามหนึ่งส่วนอีกหนึ่งส่วน เลี้ยงบิดามารดาบุตรภรรยาบ่าวไพรให้เป็นสุขสี่ฝังไว้ฝังไว้ฝังไว้ในพระศาสนาคือฝังเอาไว้คำว่าฝังเอาไวในอันนี้ก็คือเก็บเข้าพลังขันไว้คือทำบุญที่จะเรียกว่าบุญยุทธิบุญยิทธิจางสมทรัพเอาไว้ที่เรียกว่าบุญถ้าให้จะาให้แบ่งครับ ถ้ครมีทรัพมากๆแล้วแบ่งใช้สอยสามส่วนสีส่วนแบบที่พระพุทธเจ้าท่านส่งให้นำจะเกิดประโยชน์จะเกิดประโยชน์เน้นต้องใช้ต้องสอยใช้สอยอย่างพอดีไมให้มันถืดเกลื่อนและทําให้มันฟูเฟื่อยสองอีกส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนเพื่อได้กำไรมามาเพิ่มมาเติมไปเรื่อยๆสามเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหมูเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงบุตรภรรยาเป่าไถให้เป็นสุข ส sí, 拜拜ักปีทำบุญทำบุญเพราะว่าการทำบุญนั้นเป็นการเอาทรัพย์นั้นมาเป็นเอาทรัพย์สมบัตินั้นมาเป็นอริัยสัมบัติมาเป็นมาเป็นอาลัยอริยทรัพย์เอาทรัพย์ทำอะดรมาเป็นอริยทรัพย์เป็นสักดิบติตัวเป็นสักดิบไปบวชกินคือการคือการเป็นเจือจานแบ่งทำบุญนี่คือการใช้สยทรัพย์อย่างถูกต้อง อันนี้คือการสอนการสอนประโยชน์ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราแสวงหาประโยชน์ในปัจจุบันนี้เราเดินตามหลักดีๆนะไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ยากไมจดไม่ซ้ำมาแล้ใช้สอยอย่างยางมีขอบมีเขตมีมีหลักมีเกณฑ์มีกิจข่ามมีจำกัดอันนี้คือประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันที่เราแสวงหาการอูทุกวันที่เราแสวงหาประโยชน์อะไรประโยชน์ในปัจจุบัน คือเราจะต้องมีสิ่งเหล่า น, นี้จะต้องสบายภาพจจสี่มาใช้มาซ้อยเมื่อเมื่อมีทรัพย์มากๆสาหรับจับใจใช้สรอยอย่างเท่าที่จําเป็นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงทุนส่วนหนึ่งก็เลี้ยงบุพกรารีเลี้ยงพ่ อ, อเลงแม่เลี้ยงบุตรภรรยาบา่าวภรร ย, ยายากนิดให้ได้สุดแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือทำบุญทาบุญแก่สมณพรา สมณพราหมณ์คือนมีสิทสมัยพุทธกาลไม่มีสมณสมัยสมัยพุกาลก็มีสมณางกันบวชศาสนาหรือนเขาก็เรียกสมณังกันเช่นอย่างเช่นอย่างพวกจีเปรย์เขาเรียกสมณังกันนะคือทรรมบุญของผู้มีสิทธิ์ธรรมบุญขอผู้มีสิทธือว่าเป็นการฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นการฝังฝังไว้เพื่อเพื่อปรารภภายนอกหน้านคือประโยชน์ในปัจจุบัน น, นี่สัมป ร, รายกิกาถัพยประโยชน์คือประโยชน์ในภพหน้าอันนี้คือประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยที่ถักทําให้ถัพประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าที่จะเรียกว่าสัมปรายิกาถัพยประโยชน์นชนหนึ่งต้องมีศรัทธาสองต้องมีศีลสามต้องมีจากคะสีต้องมีปัญญาดีแล้วนะถ้าเราจะพูดแบบทั่วไปให้เรามองทั่วไปโดยที่เราไม่ได้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 ตอไปได้ชีวิตใหม่การไปได้ชีวิตใหม่ดีถ้าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเราอาจจะตกต่าทุกอย่างลำบากที่จะเป็นมนุษย์อาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นตัวรกอา จ, จเป็นไปเป็นเปลญไเ ป, ไ เ, ปไเป็นอสุรกายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีศรัทธามีศีลแล้วก็มีจาระค์แล้วก็มีปัญญาประทานพระกระซ้ า, า, า, ามีความเชื่อความเชื่อจะต้องประกอบไปด้วยเหตุ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 ทำความร so ู so awesome. ้จ <time> uh, <American> <ton nichts> ักค <offenses. S 1> ุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ฉจแล้วก็มาพิพจารณาไข้ครัวให้เกิดความเรื่องใสเกิดความศรัทธาเมื่อเกิดความเรื่องใสเกิดความศรัทธาแล้วก็น้อมมาเป็นที่พึ้นเป็นที่ระลึที่จะเรียกว่าอเป็นไตรสรณะของเป็นไตรสรณะของเข้าถึงเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พื้นที่ระลึกเอาพระธรรมพุทเจ้าเป็นที่พื้นที่ระลึกเอาพระสงฆ์พเจ้าเป็นที่พื้นที่ระลึก เขาเขาสุลับไปสัตนาคงท่านที่มีท่นมีศรัทธามีศรัทธาศรัทธาที่จะเป็นสะพานเชื่อมอย่างพวกเราทั้งหลายที่มาด้วยกันทุกคนทุกคนทุกหัวใจที่อยู่อยู่เดียวนี้เรามาได้ด้วยศรัทธาหรือความเชื่อหรือความรู้สึกเมื่อเรามีศรัทธาอาศัยศรัทธานี้เป็นสะพานเชื่อมถ้าให้เราข้ามาได้ข้ามาได้ไหมนั่งตรงนี้ได้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 ภายในวัดใจแล้วมันจะยุคแย่ให้เราสร้างเราทําเชื่อมแบบนี้เขาเรียกว่าเชื่อเมแบยไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อมแบบไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็ลงมือทำไปตามเอาทินพย์วายทุ่งไปทั้งหมดเชื่อมไม่มีเหตุเชื่อมไม่มีผลแต่ต้องเป็นศรัทธาพิจารณาใครโคลนผู้พุทธเจ้ายึมใส่ศรัทธาในผู้พุทธเจ้าในพุทธธรรมในพระสงฆ์เอามาเป็นที่พื่งเอามาเป็นที่เราลึกแล้วก็หาข้อปฏิบัติมากจำกัด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 อุตสาพยายามขยันหมั่นเพียรทุกแจางลํำบากด้วยคำหนึ่งคำมันจะผลที่เราจะทุนได้อาศัยศรัทธานี่แหละศรัทธาตั้งมั่นแล้วอะย่อมย่อมประโยชน์ให้ให้ให้เจริญร่ำรวยร่ำนาขึ้นมาได้จากศรัทามาเปินศีลเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มมาปรับปรุงข้อปฏิบัติของตัวเองแล้วเนื่องจากว่าเรามีศรัทธา ก็ต้องเริ่มมาปรับปรุงข้อปฏิบัติทุกตัวเองเร่ ม, มามีสินรักษาสินที่เราเป็นคารวาสรักษาสินห้าวัยสุดโหเยี่ยมแค่สินห้าวัสุดที่เยี่ยมเดีย๋ยวมันัน่นะเราจัไม่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจาบาความรับผิดชอบของเราเองปานาคือข้าจาเราเป็นข้าเพราถ้าเราข้าจามันก็เป็นเยินเป็นไป เราฆ่าสัตว์เ่ยเยว่าไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยนะสัตว์ในดิชานี่เป็นเวนเป็นภัยยิ่ง่ามันเป็นแล้วนะยิ่งเป็นเวรเป็นภัยในอัตตามีเนี่ยต้องถูกคดีอาญาจองถูกเขาจับเขาไปจองไปจํางทีไม่ดีไปประหารชีวิตให้ตายตามกันไปอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของของโทษของโทษของโลกที่เรามีเราเป็น นี่เรื่มโทษ ร, รองกรรมที่เราจะต้องรับต้องแบกต้องขังมันจะต้องรับไปบางทีก็ตามทำในอัจภาพนี้ในชีวิตนี้บางทีก็ตามทํำในัตามทําในอัจสภาพลต่อไปคือเราฆ่ า, า, ขาเขาเขาก็ต้องฆ่ า, าเราซึ่งมันมันมันเกิดเหตุเป็นผลที่จะต้องมาทให้ได้รับความทุกความทรมานทางได้านิตใจเนี่ยการดิ้นให้ให้ให้ ให้เอาสี่นเนี้แกันมาเป็นข้อํากับรักษากายให้วันสุดรักษาวานใจวันสุดก็ทำความศึกษาด้วยใจของเราเนี่มีสติมีปัญญารักษาสิ่หฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รับทรัพย์ไม่รักของเขาแล้วก็ผู้ผิดในกลาวผู้ผิดในกาลก็คือผู้ผิดโูปผิดในของเขาจะมีงม่จอย่างมีงมคว่ครองแล้ว ก็อาตัวของเราเนี่ยซึ่งเป็นสุภาพของภรรยาเนี่ยไปบำรุงบำรุ ง, ง, ง, งคนอื่นเรามีสามีแล้วเนี่ยแต่เราเอาตัวของเราไปบำรุงบำรุคนอื่นแบบนี้มันถือว่าประพฤติผิดกาศ อ, อันนี้ไม่ตอนอน้องลองเยลองก็ได้ผลทันทีแหละลองได้ผลทันทีอในเดียววัยในวันวันนี่แหละรับลอง ไฟกองไฟนําความทุกข์นำความเดือร้อนมาสุ่ครอบครัวทั้งเราทั้งเขาทั้งลูทั้งเต่าทั้งคนในครอบครัวเดือดร้อนต้องหมดถ้าเรารักษาแล้วเราได้รับความคุ้มครองจากการที่เรารักษาสิ่งนี้เราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับสิ่งเหนี้การพูดเท็ก็เหมือนกันเขาไปเรียกให้เราเสียหายอย่างไ้อย่างหนึ่งตามมาแล้วก็กินเหล้า ก็สุดท้ายเสียทรัพย์เกิดโรค<ม>เสียทรัพย์แน่ๆเน่เล่าเนี่ยเขาบางทีหมอบริวัตรที่ให้ให้เรากินเนี่ยวันนี้เขาเลี้ยงเราวันหนึ่งเราก็ต้องเลี้ยงเขาอ<ม>เสียสทรัพย์เวลาติขึ้นมาแล้วเนี่ยเปนจนหมดอ่ะทํางานทาขานไดเท่าไหร่กินเราทีก่อนไม่กินเราไม่ได้เพราะอะไรเขาเป็นทิน ร่างกายติดแต่ก็หอมอยู่จิตใจอ่นอนแอคนรบเราต่อร่างกายไนะได้ก็ต้องซื้อมามาให้ดูคลิปพะชัน้นแค่เรามีสินหเร า, าก็มีความสุขสินแปดก็มีความสุขเข้ามาอีกไปข้ามาเกมาปล่าปรุงมาปฏิปทามารายละเอียดขึ้นรายละเอียดขึ้นสินของพระของเงินสินสิบสินสองรอยี่สิบเจ็ก็ละเอียด ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเไรื่อยโดยล้ตวการทายก็มีผลเหมือนส่งทั้งในในอัตอาาภาพนี้และในอัตภาพต่ อ, ตอไปก็เป็นเรื่องของเป็นก็เพเป็นเรื่องของกรรมนั่นคือเรา ท, าทาําความดีคนดีก็จะต้องตามสนองในอัตภาพนี้และตามสมา่งในอัตภาพต่ อ, ตอไปที่เรามารักษาศีลมารักษาศรรีก็ยิ่ง เป็นการหักเปลาลเอียเข้าไปอามาวางรักษากายรักษาวาจาบรรจัยให้ดีละเอียดพอดีขึ้นไปสรทาสินจาคัาาาาายดยาคัดยาคัดนี้ส่วนหนึ่งเป็นทานอีกส่วนหนึ่งเป็นการเสียสลักเสียสลักอารมณ์ที่เราให้เกิดทําให้เราเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความห ล, ลง ทำไมจาทะจาทะเรียกว่าเสียสลัดจาทะกับทานิเหมือนกันส่วนหนึ่งเหมือนกันเป็นส่วนต่างกันาำไมจาทมันเอามาใช้ได้ทั้งส่วนวัตถุภายนอกใช้ได้ทั้งส่วนที่เป็นอารมณ์ภายในใจที่ท่านเรียกว่าเสียสลัดอารมณ์เป็นที่ตันั้นเสียเสียสลัดอารมณ์เป็นที่ขาดเคือง เดวว่าให้เสียสละเสียสลัคือเห็นโทษของความกาหนดกำหนดในการมราคาเนี่ยกำหนดในการในความต้องการวัตถุที่เรามีความต้องการแล้วก็เสียสลับถ้าเป็นเป็นไปเพื่อให้เกิดทุกเกิดโทษแาบนั้นแบบนี้ก็ให้เสียสละเสียสละจากภ่าเรียว่าเสียสลัเราพูดง่ายๆคือเสียสละที่เรียนมันเกิดเสียสลัความโล่เสียสละความโกร เสียสละความหลงเสียสละแต่ถ้าเป็นเรื่องของทานของทานก็คือวัตถุทานวัตถุทานธรรมทานอภัยทานเนี่อยอภัยทานกับจารนนีนเข้ากันได้อภัยทานของของทานธรรมดากับจารานส่วนหนึ่งเข้ากันได้คืออภัยทานเนี่ยสามารถ ให้ให้ให้ให้อภัยไม่ถ so ือโทษไม่โกรธเขาบอกไม่ถือโทษไม่โกรธก็แสดงว่าเป็นคนที่รู้ถึงสาเหตุต้นตอที่จะเป็นเหตุให้เกิดความโกรธที่จะเป็นเหตุให้เกิดความอที่จะเป็นเหตุให้เกิดเกิดเรื่องโน้ราบใหญ่โตวุ่นวายก็เลยอภัยไม่ถือโทษตัดออกไปเลยไม่เอามาให้ไม่เอามาคิดไม่เอามาปรุมให้เกิดความวุ่นวาย ที <S <S ่เรียว่าอภัยทานให้ความให้ให้ความให้ความอภัยแต่ถ้าถ้าเราไม่อภัยเป็นไงเมื่อเขาด่าเราอ่ะเราไม่อภัยเราก็ต้องด่าเขาตอบหรือเขาบรรทุษเราเนีถ้าเราไม่ให้อภัยเราก็ต้องบรรทุษเราเขาตอบเขาหาเรื่องแกล้งเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้อภัยเราก็หาเรื่องการแกล้งเขตอนี่ยเรว่าไม่อภัย ที่การให้อภัยมันเป็นการสลับกิลเลสไปตัวมันเข้ากันได้กับจาตครับจาติก็คือความเสียสละเหล่านั้นจาตครับแต่ข้อที่4ีคือปัญญาปัญญานี่จะต้องสอแสดแทกปัญญาจะต้องเป็นหัวหนําเป็นหัวหนําวิถีวะนั่นแะปัญญาถ้าเป็นรถไฟยาวๆก็คือหัวหนํมาเหลหัวลาออืม ปัญญาปัญญาเป็นตัวนําทั้งหมดนำกิริยาอาการความประพฤติทางกายทั้งวาจทางจิตทั้งหมดต้องใช้ปัญญาเป็นตัวนํ ำ, นำาานพญญเพราะฉะนั้นศรัทธาศีลจาคณปัญญาจึงเป็นเหตุให้เราสมประสงค์ที่จะเรียกว่าสัมปรายอนะัตถประโยชน์คือประโยช น, น์ในภพนั่งในเมื่อเราทำประโยชน์สมมูรณแล้วนี่ถ้านเราก็ให้ที่เรารักษา จากะการเสียสลักทีแล้วก็เสียสลักการกินปัญญาเพื่อทำลายความรุ่งหลงทําลายกิเลสเป็นชั้นเป็นภูมิไปก็เป็นให้เราประสบประสบที่เรียกว่าประสบไปสู่สุคติเพราะงั้นนั่นสำไตรยพัทธประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์ในภพหน้านี่กล่าวหมายถึงว่าเรายัในภพยังมีชาติอยู่ทีนี้มันยังมีประโยชน์อันหนึ่งที่เรียกว่าประมัติประโยชน์ประมัติประโยชน์ อันนี้คือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งในที่นี้ท่านหมายถึงมรรคผลนิพพานเึ็นประโยชน์ประโยชน์อย่า ง, งยิ่งมรรคผลนิพพานเราต้องมาเริ่มโดยศีลด้วย ส, สมาธิด้วยปัญญาก็เหมือนอย่ญญางที่เราทํากรรมฐานนี่แหละเรากรรมฐานทำกรรมฐา น, รรฐานถ้าถ้าเราหวังหวังผลจากการที่เรามาชำระจิตมาไร้หวัวให้สุดเนี่ยโดยทำเนี่ย าเรามุ่งมั่นกับสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังนีเราจะเห็นว่าการรักษาสิ่งเป็นของไม่ไม่ ห, หรือบากปอะไรเป็นของที่ง่ายสำหรับเรางนั้นเะ่ะท่านบอกข้อนั้นข้อนี้ข้อเล็กข้อใหญ่อาบัตหนักอาบัเาตเบาเอาอะไรเนี่ยเราอินดีเราพอใจที่จะทำใดทำตามได้ทั้งนั้นเนื่องจะว่าประโยชน์ที่เราต้องการเราต้องการจริงที่หนึ่งที่สูงมากกว่านี้ การตั้งใจรักษาสิ่งมรรคายป็นของา้ไปทีนี้ข้อวัดปฏิบัติที่เรามาบำรุงส่งเสริมทำให้ปฏิปถามเราเป็นไปด้วยความกล้าดื้อดีก็เป็นของของที่ไม่มหรือบาปมาเนี่ยทำท า, ทาได้ด้วยความยินดีด้วยความพอใจด้วยฉันทะด้วยวิรยิยะดยว้วยอุสาหสามารถทาได้โดยที่แท้จริงเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอย่างนั้นทีนี้ ถ้าเรามองย้อนเลยสิ่งไปพูดถึงเรื่องทานพูดถึงเรื่องทานเรารู้อยู่แล้วว่าการให้ทานมีผลมีอิสงศการรับสารทิ้มีผลมีอิสงศเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เลยเป็นของง่ายเพราะฉะนั้นท่นเมื่อท่านที่ตั้ ง, ต, งตั้งใจไปสูงแล้วสิ่งที่ย้อนไปเป็นของที่ต่างมองต่างมองจะเป็นของที่ง่ายสาหรับท่านมไม่ถึงเป็นเรื่องยาก อันนี้เราก็มาเที่ยวนั้นพเราอยู่ไปเข า, าทุกย่าลำบากากันได้เราไม่ได้ถึอสิ่งเหล่นั้นเป็นประมาณเราไม่ไถือสิ่งเหล่านั้นเปนประมาเหมือนอยากที่เราฟังให้หลุงตาเมา่อตอนเขาคำ่ำลุงตาเขาพูดถึงรุงลุงปูง ม, มั่นท่านเลยท่านท่นพูดอท่านถ้าท่านพูดท่านพูดแย่ท่านพู ด, พ ด, พ ด, พ ด, พดยังไงให้ให้ลุกศิษฟังแล้ว เป็นอย่างพระอภิษฐาน เ, <ร>เราไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ไปอยที่ไหนอาหารไม่ค่อดีพิโตไม่ค่อยเยอะอะไรอาหารไม่ค่อยมากอะไร อ, อาการไม่ดีนั่นไม่ดีนั่นพูดแย่เป็นการพูดมุกพูดแย่มือเขาเขาเรียกว่าตีตีหัวมาทุบกระได้อคำพูดคำพูดกปล่าตีหัวมาทุบกระได้เพื่อให้เป็นผลสะท้อนมาที่พวกเราทีนั้นอาการดีทีนันอาการดีตรงไหน ขาดเส้นหน่อยโออากาศดีแล้วโยอมเปิดละไปดูไหนอ่ะดีน่อยโอ้อากาศดีตรงนี้อากาศดีอยู่ได้แต่ผู้ที่ท่านตั้งใจลงไปอย่างเขจริงจท่นานไม่ได้คํานึงถึงสิ่งเหล่านี้ท่านคนํานึงถึงว่าที่ไหนอยู่สะดสบายอืมอากาศถูกกับเจนิสัยไม่ทุกข์ไม่ทื่อปอดโปรงไม่มึไม่มงงไม่ปวดหัวตรนท่นอยู่ท่าอย่างสะดวสบายอ่าหารพอเป็นพอไป ทุกอย่างลำบากในการไปแสวงหาโดยปีนแคบมาทัานอยู่ได้ทานสู้ได้จะขอให้ที่นั้นเป็นสถานที่ส บ, บายๆมาทุกอย่างลำบากท่านไครับหนึ่งเป็นเป็ น, นเป็นเช่น น, น, น, นั้นประจัญการมองถึงเรื่องปัญญาสินสมาธิปัญญาจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ต้องสอดแทรกไปทุกอย่าง สรัทธาสินจาคัญญาคือสิ่งที่เราได้สํารับที่ประทับประโยชน์และประมัาถาประโยชน์หรือทานตะล่อาสมาธิสินตะล่องมสมาที่ที่สมาธิที่ปัญญาปรมาถาประโยชน์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสินกับสมาธิเรืปัญญาเนี่ยที่มันเรียกว่าใจสิขาดใจทิขาดที่สุดจะต้องศึกษาทิขาดสามอยา่างสินสมาธิปัญญาศินก็เป็นธรรมญาง เพราะ ว, ว่าศิลแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เรามรัดให้เราเว้นเป็นการปิดช่องที่กิเลสจะแทรกเข้ามาเป็นการปิดช่องที่กิเลสจะแทรกเข้ามาเช่นอย่างปราชิ้นสีเนี่ยท่านท่านเนี่ยปราชิ้นสี่เซเวทุน รับของเขารายคามาส่งข้ามทะลุแท่งปวดอุตริบุษปวดปริบุษ ธ, ธรรมแต่ละอย่างแต่ะยถ้าเราทำไปแล้วถ้าเราทําไปแล้วก็ขาดขาดหนออขาดเนื้อขาดกล้าขาดเน่าก็เรียกว่าขาดกล้าขาดเน่าของความเป็นมรุญแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเป็นลามเป็นต้นเพื่อที่จะได้ให้เกิดหนอกเกิดผลมันเกิดไม่ได้ในเมื่อเราไปทําลายหนออ ไปทำลายห น, น่อเนื้อรากเน่าของมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปฏิบัติกับศีลสิ่งที่เป็นปฏิปัติกับสมาธิกับปัญญาเช่นอย่างประราชิษเสรไม่ถุนต้องประราชิษถ้าใครเสกก็คือขาดจากความเป็นพระเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าหลวกสุภาพ อ, อ, อนาวัตเซศักดิ์ไม่มีสัมมาคารมูตอนาวัตเซศักด์ ไม่มีไม่มีสบบมบัติถงปลาชิ้เป็นผู้แพ้แพ้ทนอยู่ในภาวะของตัวเองไม่ได้หมดสภา พ, พเขายกว่าหมดสภาพเอางั้นกันปลาชิ้นปลาชิ้นเป็นผู้แพ้แพ้กลับไปแล้วนคือทำลายหน่อของตัวเองเลยทํำลายกราบเง่าของตัวเองพยายาที่สูจน์รับของเขาให้ได้ราคา้ามส่ ต้องหลัริก Vietnamese. อันนี้เป็นสินนะแต่ว่ามันไปทําลายเกี่ยวกับเครื่องธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นศินแต่ละข้อแต่ละข้อมันเกี่ยวข้องกับธรรมทั้งนั้นเกี่ยวข้องกับธรรมในเมื่อเรามีจิตที่จะรับของเขารับผ้ามาส่งได้บาทรับหนึ่งบาทได้สองบาทมันรับได้คิบาทร้อยบาทตันบาทหมื่นบาทแสนบาทมันรันได้ในเมื่อมีจิตคิดจะรับมันสามารถทําได้เพราะฉะนั้น เมื่อเราทาำังไปแล้วด้วยเปจตนาแค่นี้เละเป็นการทํายหน่อเนื้อเชื้อเชื้อชาติเพราะเพาะความเป็นเป็นผู้ที่ต้องการต้องการเป็นนสูงสุดพเพราะฉะนั้นท่ทานเห็นว่าบกแพร่หมดสภาพคนนั้นหมดสภาพหมดสภาพอ่หมดอุตริมศุธธรรมหมดอุาริมศุธธรรมคือใช้ปากพูดก็ขเขา อุดริ้งสุดาม้งคืออวดคาว่าัวดก็คือของไม่มีในตนอวดแต่ถ้าเราจะเทียบกับสินข้อห้านะสีนห้าก็คือข้อสี่นั่นแหละพูดมุสานั่นแหละแต่ถ้าท่านใจพูดพูดโกหกพูดเทเ็จอันก็องปราบปรามอีกข้อหนึ่งปราบปรามอีกข้อหนึ่งแต่ด้วยการแอบอ้างเอาคุณธรรมสูงๆเช่นอย่างจะของไม่มีชานไม่มีสมาบัย ข้ออวดตั้งไว่าเจ้ของมีชัยมีสมาบัติเจ้าของไม่มีมั่งไม่มีผลแต่ก็อวดตั้งไว่าเ้าของมีมั่งมีผลเจ้าของไม่เป็นพาราขันอวดตั้งไว่าว้ของเปพนพาราขันมีเขาเรียกว่าอวดอุตริมุสุธรรมเมื่อทําลงไปแล้วมันทํามันเท่ากับว่ามันทำํำลายหน่อเ น, นื้อเชื้อชาติร่องความอที่จะให้ได้คุณธรรมต่างๆล่านั้นจริงท่านที่กล่าวไปเป็นคนแพ้เป็นผู้พ่ายแพ้ ปราการจิตปรกาจหมดสภาพเคำว่าหมดสภาพก็คือมันใช่อะไรไม่ได้เลยแนหะมันใช่อะไรไม่ได้น ะ, ะต้องออกจมูกต้องเป็นผู้พ่ายแพ้ออกไปอยู่คับมือไม่ได้สึกหรือไม่สึกก็เหมดจากความเป็นพระไม่มีเศษอนัวศรีษะไม่มีส่วนเือ มีส่วมหรืม่มีเศษเหลือในความเป็นคับอันนี้คือเรื่องสินพุทธเจ้าเป็ทรงมั่นจัดศีลเพรานั้นสิแต่ละข้อแต่ละข้อถราเราตั้งใจถ้าเรามองเห็นว่าการได้อัดได้ทำเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ยากเป็นเรื่องง่ายข้อไหนยากลาบากขนาไหนก็ตามเรายินดีพอใจระับประคองรักษาอยู่ได้พวกเราเกี่ยวข้องกับเรื่องสีลโดยเพราอยากพระาลาวสินมากๆก็ต้องมาสำรวจตรวจการ บู้รเจ้า ว, วางไว้ต้องมาต้องมาตารวจการทุกกลุ่เดือนด้วกสวดปฏิโมกข์การสวดปฏิโมกขม์เป็นการมาตารวจรสินของตัวเองนั่นสิน227สินที่มาในาาก็ปฏิโมกข์227จากนั้นแล้วสิลที่มานอกนปฏิโมกขม์นี่ท่านปรับตัวเลขอร้างอามาทุกกฎนั่งให้เรามาตำรวจให้เใจเรื่องเรื่องสิน ถ้าดอกตั้งใหญ่เอาไว้สูงเนะก็ให้ทานเป็นเครื่องไม่ยากเ็นเืองง่ายจะไปซิงดงซีดายอะไรกับกับกับสิ่งที่เราเราได้เราสวยมนาะเราเราเอาเราเอาพระอิศรมาเทียบกันแล้วกันทาน ร, รั้ทานรับพระองค์มีทระองเป็นรนาชายาที่จะเป็นพระเจ้าแปดิน ปกครองกรุงศีพีต่อจากพระธินทิาด้วยเหตุที่เขาไปขอช้างโรมก็เลยพระราชทานไห้ช้างขอพระราชทานทานช้างไปชัวบ้านไม่พอใจไปฟ้องที่เจ้ากรุงศีพีประชาชนก็ต้องการให้เขาออก คือว่าเป็นการเอาทรัพย์ของบ้านของเมืองน่ไปไว้จากแท้จริงช้างท่านให้ไปเพื่อเขาเอาไปเพื่อให้เกิดสิริมงคลเกิดฟ้าฝนตกเนี่ยทีนี้ก็ไปให้ท่านออกจากพระนครท่านออกจากพระนครไปท่านเสียสละเสียสละไาชสมบัติออกจากพระนครไปไปกับชาลีกล า, างขาจักรมัดสีทีแรกมันนั่งรถไปพอไปได้ขึ้นทางเขาเ้ามาขออีก ตี๋ต้องเดินไปเดินไปเดินไปไปอยู่อาสมชูช็อกไปขอลูกอีกก็ให้อีกมาทั้งสองอ่ะชะีปัญหาต่อมาทักอินแปลงร่างขอวัดซีขอเบียคือรักก็บริจาคไปแล้วช้างตัดใจยาน่าก็บริจาคไปแล้วตาชรพลายต่างๆเ่างบริจาคไปแล้วเมียก็บริจาครูกบริจาคไปแล้วเมียก็บริจาคไปแล้ว จะมีความสาคัญอะไรจะเจ้าะกับลูกกับเมียกับน้ากับอะไรแม้แต่ดวงตาของโลรเนี่ยโปร้จักไปแล้วมากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าเขาเขามีคําพูดเถึงเทียบ อ, อ, อยู่แล้วกีสัถ้าเสียรที่ประดับประดาด้วยเครื่องประังกาเนะี้นอ่าบริจาคไปแล้วถ้ามองกอดใหญ่กว่าเขาสุภาษณ์สุวินเนี่ยนั่นคือคือความ สิ่งที่ปรารถนามันยิ่งใหญ่กว่ากรรมฐานตาะนะ่างๆเราเราถ้าเราเทียบไปแล้วเนี่ยศีลกับธรรมเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกันไปอยู่ย่นี้เรื่อยๆพาราะฉะนั้นการรักษาศีลพี่เจะาทรงมัอย่างศีลกคือปิดความชั่วแต่มาข้อมาข้อใหเราทํามันยับยั้งไว้อันนี้เป็นข้อบัญญัติเพื่อที่จะเข้ามาเห็นธรรมอย่างไท้จริงได้พเราได้ยินในความแล้วบบเอาและอ่า ที่ถําทำไม่กระทำไปอยู่เราเอานั้นเมื่อเรามีความเป็นไปเราเกี่ยวข้องเพราะเรามียังกันรรมชาตอยู่เราต้องมีงวงความเกี่ยวข้องเหมือนอย่างเราเป็นเราอยู่นนแะต้องขอบต้องฉันต้องอะไรนี่และสำหรับะไรทีจะถ้าประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าเราก็ต้องทำอํำนะครับต้องมีศีลต้องมีศรัทธาศีลศัทธาศัทธาสีสสจารปัญญานิา ย, ย, ยามเราก็ทำนครับประโยชน์อย่างยิ่งเราทํา สุขแล้วพวเราอยู่ท่ามกลางประโยชน์ทั้งสามประโยชน์ในพภกนี้ประโยชน์ในภพหน้ปนนานประโยชน์อย่างยิ่งคือพระมิานผเราตั้งใจจะเราที่นี่เราก็ต้องศึกษาเพื่อให้ดีในฟังและประสบกา ร, รโดยเฉพาะย่างยิ่งคือการตั้งใจปฏิบัติทําอะไรจะได้สมาธิทําอะไรทำอะไรจะได้ปัญญา ก็เลงเข้ามาเลยคล้ายๆว่านื้อเมอเราเลงเป้าไว้สูงแล้วเนี่ยเป็นเหตุว่าเราจะต้องผีไปเพื่อให้ถึงเป้านั้นเพราะฉะนั้นเราอย่างที่คูใบายาการย์นั้นว่าเราไปดังเยอะเนี่ ย, ยมันมันเข้ากันไม่ได้เราไม่สร้างเหตุให้เกิดพอแล้วเราไปที่รหาหาผลผลไม่ยอมให้ปรกากฏไปเรื่องธรรมดาพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเอามาเป็นข้อขอุปมา แล้วตั้งมติ บ, บนข้อยตั้งอกตั้งใจทําประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันแบบชาวบ้านประโยชน์ในปัจจุบันแบบพระพู้เราก็ะร้ามีข้อมีเหตุประโยชน์ในพหน้าก็คือว่าเป็นการสร้างไปพร้อมๆกันกับประโยชน์อย่างยิ่งคือประมาทประโยชน์ ทั้นี้เพื่อเพื่อเพื่อให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าที่เราตั้งเอาไว้คืออุดมขติดรมขติสูงสุดของพวกเราคือลำปวดก็คือวักผลนิพาเราตั้งเอาไว้เราก็เดินเข้าไปเราตั้งเอาไว้แล้เราก็เดินออกไปไม่ใช่ตั้งอาไว้เฉยแล้วไม่เดินไปเราไม่เดินไปก็คือไม่ถึงเราเดินไป ถ้าเราคลางไปมันก็ยังใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้เข้าไปเร่อยลุกขึ้นมาเราก็เดินไปเดินไปมันเร็วกวาลานเดินไปเือเดินไปเรือยเดนเรือยเร่งเยอะๆเหมือนอย่างเขาวิ่งเขาไม่ขอกาลังกายมันก็เร็วว่าเดินไปถ้าเราต้องการให้ถึงอย่างเร็วเราต้องวิ่งเอาอย่างสุดขีดเลยเราฟังอี้เป็นข้ออระมาแล้วเราเอามาเทียบูที่ตัวเรา และเราก็ยังปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้เป็นแบบนั้นกพื่อเป็นลุกเป้าหมายตามวัตถุปผสมตามอารมณ์กติของเราแต่ละองค์แต่ละท่าน เ, เอาแล้วนะพอสมควรละวันนี้